มีย่ายหนึ่งขี่ทีวัน่ไปในหมู่บ้านเน่แต่ว่าหังแต่ว่ามีเงิ่อนขอหมู่คนขี่ทีมก็ต้องลุ้ยธรรมดากัน่อยไปลุยเงินกันหน่อยไปว่าหะนี่สมพ่านกับสมพ่านแพ้รูอ่อนหนไปแพ้ขออยู่เลยแต่และมืออแต่และเดือนเนี่ยเด็วกับแพ้สางใต้สร้าง เอ่ยกำแพงวัดแล้วก็สางโบสถ์ได้ก็สางซาล่าแล้วก็ ส, ส า, าสหงหอระฆังแพร่อยู่เลยวันนนไปแต่ย่า่นี่เห็นซ่องผาป้าเนี่ยโอ้อยนี่มันมันควางหูควางตาลายาอนไปเอไปแต่ว่า น, น่าพอนี่ยเกิดสางยังก็ไม่แต่แพรกี่กเกาะขึ้นมาเนีก่ก็ให้ท่ายกยืนซ่องผาป้าปาอแพรเช่าบ้านาว้านก็คนกลุมเกาได้เหมืนบลัง ต่อมาต่อมาย่าิผู้เท่าก็เลยตายคนนไปเพราะตายแล้วคนกี่ทีมันบนหนีไปใส่ได้ปะเนมันวนกลับมาหาลูกหาหลานมาไปห่วงสมบัติเด็กก็เขาสิงผู้นั้นเด็กก็เขาสิงผู้นี้คนนไปสิงลูกสิงหลานันเไปเป็นยังสูไเให้ทังสันเป็นยังซูไเให้จังสิ่วสิงเวลาเขามาสิงแล้วคนนั้ไปมหานี่ทายกเห็นคนหุ่มอยู่ในบ้านนล ถ้าโย ก, กถือซองผ่าป้ากันไปจริงๆแล้วกนะันขึ้นไปไม่ยัง้งเปนไงโอ้ยย่า่เขามาสิงนั่นนะ่ะสิงลูกสาวเนี่ยวะฉันเนี่ยผีย่า่เขามาสิงลูกสาวว่าฉันวิสัยวะฉันเนี่ยถ้าโย ก, กถือท่องป่าป้าไปมนะันพ่อผีเห็นซ่องผ่าป้าเธอเนี่ยนะโอ้ยกูไปแล้ววนะเธอเนี่ยแม่กูเกียดซ่องผ่าป้าหลายวนะเธอยา่เลยออกเลยวะเไป ออกจากลูกเสาวมันไปออกที่เป็นผีสิงมันออกเพื่อวันไปอแตงแต่บาดนั่นมาบาดเนี่ยโอ้เขาย่าไงย่านซ่องผาป้าว่าะไ่นี่บาดเนี้บาดถ้าผีไปสิงหลานเพื่อวก็ถือซ่องผาป้าปเลยแล่นหนี้เราไปพ่อพ่อผีเขาไปบาได้ก็สิงมาได้เนี่ยเขาก็ถือซ่องผาป้าพานไปโหลดอราไปโอ้ยยาไนี่ยว่าย่านย่านซ่องผาป้าเราไปนี่หลวงพ่อนี่ จอนจะแจกซ่องผ่าปลากับหลวงพอ่อก็คิดขึ้นกันเลยแต่ข้าวเนี่ยเป็นซ่องผ่าปาสมเด็จพระสังฆราชนะผมเป็นซ่องผ่าปาลาหลวงพอ่อราไงคือสมเด็จพระสังฆราชพันอายุลอยปีปีนี่มาแต่นี่คณะสัตาย า, ยตายยห์ญาตโยมพันกระโบยักยังดอกพันกระน้อนในโรงพยาบาลนะ่ะพวกคณะรัทยาห์ญาตโยมพวกพระสงฆ์อะไรเออหน้าจะทำํำเป็นทีละลึกของเจ้าพระคุณสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชก็เลยสร้าง อาข่านคือมาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีส่างรงพยาบาลมันไปหาสั้นมั้แล้วก็คขาเี่ยังก็เรียบรลอยมัล้ละแหละแต่ยังขาดเครื่องมือบุปกรณเครื่องมือแพทย์นะลงพยาบาลาบดแมนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โ, โรงพยาบาลพญาพหุผลพลพโยหะเสนาเกิดเกิดเขร่มพยาบาลศูนย์อุดรธานีของเขานี่แหละลงไปเป็นสั่งให้โรงพยาบาลจังหวัด วันนี้กขาขาดเครื่องมือทั้งจังหวัดอุดรเท่านี่ก็เลยจีจัดเป็นผ่าปา่ามีอยู่กจังหวัดจังหวัดดอน้นองคายพึงการสกลนครน้องบรรุญลำพูจังหวัดเลย6 7เจจังหวัดที่ถอดผ่าป่าเมื่อวันที่ส0บสิงหาห้าห้าที่วัดป่าบ้านตาดแล้วกเจ้า คุณสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรนรัตวัดปวบอมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ทุนกระมอมฝ่ายหญิงองเล็กเป็นมาปเป็นประธานฝ่ า, ายฆราวาสแอบมาทอดผ้าป่าอยู่วัดป่าบ้านตาดเพื่อหาทุนเครื่องมือแพทย์ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่แหละซ่องผ้าป่าอันนี้นะชุดแท้แต่พวกลูกหลานเสียให้ผู้ละหาผู้ลิบยังก็บอกว่ากันนะ ดึบัวบัจักไดก็บ่วต้องเอาก็ได้นะเอาแจกคุณอาจารย์เหลือมผู้ใดไดเราจะไปให้พ้นอีกเนอะเป็นไจะพ้นจักใดก่อนไปขั้นพ้นจักไดจะคอยให้พ้นอีกขั้นพนบัอยักใดจะไปหาให้พ้นไปหาแบบไปหาย่าย่ายนะบัวใดได้ไปเห็นซ่องปับป้าแล้วแล่นหนีขั้นบูวใดบูวใดจะออกไปแจก สำนักงานลูกหลานมีอีกเลยนะเนี่นะยังไม่อีกเลยเมื่อนันลงพอไปไประชุมยูซารากลางพอไปชุ่มลงมาเนี่ช่องผาป่าเต็มรถเลยว่นนไปตาย้นี่วะเมรเข้ายูเขาจูบเอาปานี่รอกว่าเขายูเจียวจะมัดนึงกับพ่อแล้วอ้นี่วะอั น, นี่คู่บาเปิหู่จักเอ๊เิเกิดนางอยฝ่รถเข้าม า, ามํามันช่องอยังเราเพพ่องผาปาลงพองเถอวายเอามาหลายพดว้ ว, วะ ขมันแนวกื่นห้ากบวาแต่ในซ่องป่าปาอยาเอาลายปานี่แม่ต่อไปะหลวงพ่อก็ยญานิทีกแตเน้อานซ่องปาป่าดปป่านี้เขาก็เห็นว่าหลวงพ่อดังไม้เป็นว่าะหลวงพ่อนี่คนหูจักลายใส่ขนใส่รถหลวงพ่อหลายๆคนเลยหลวงพ่อก็ได้รับซ่องปาป่าหลายลงโว้ยบ้แม่แนวดีใจ่ซ่องปาป่าหลายเนี่ว่านแนวอื่นหลายก็ยังไงเนี่ยว่าซ่องปาป่าหลายโอ้หลวงพ่อจะแจกจังไหนนี่วา ครูบาเักิกลโบงหูจักเลยเปิ้บกเคยเลยวันนี้วันนี้เป็นวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2555วันนี้หลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์ผ อ, อรโรงเรียนมาหลายโรงเรียนหลวงพ่อได้เข้าไปไประชุมที่โรงเรียนยุงทองพิทยาคม เมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับยาเสพติดมีท่านผู้กากับมีปออาวุโสมีผู้ใหญ่บ้านกานันก็มากพอสมควรที่เข้าในโรงเรียนด้มีนักเรียนอีกมากหลวงพ่อกับในนามพัสนงสงในท้องถิน่นเขาก็ให้หลวงพ่อขึ้นพูดหลวงพ่อก็เออคณะศรัทธาญาติโยมตั้งแต่ท่าน ปออาวุโสตั้งแต่ท่านผู้กากับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอนายูงถ้าเป็นไปได้ทุกแห่งหนนั่นแหล ะ, ะยาเสพติดให้โทษเนี่ยยาบ้าเนี่ยมันมีอยู่ทุกแห่งหนแต่อํเาเภอนายูงของเราก็ไม่แพ้ในถิ่นอื่นเหมือนกันแต่ว่าการเท่จะปราบปาลมจับกลุมพี่น้องลูกหลาน หลวงพ่อในฐานะพระ ส, สงฆ์หลวงปู่โลวงตาอยู่ที่วัดวาศาสานาหลวงพ่อก็เป็นห่วงลูกหลานเหมือนกันวา่าการเป็นอยู่ของลูกหลานเนี่ยควรจะทําตนอย่างไรแต่ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวกับขาตรงนู้นแล้วกับขาตรงนี้ก็เหตุไรเพราะยาบ้าเนถ้ามันถูกกับใครไม่ดีทั้งนั้นถูกกับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานตระกูลใดครอบครัวใด เดือดร้อนดังนั้นเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะให้ระมัดระวังอย่าไปเห็นแก่ได้อย่าไปเห็นแก่เงินอย่าไปเห็นแก่าแ ก, การค้าของผิดทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ดีอย่างเมื่อวานกับหลวงพ่อก็ได้ยินหลานไปขอเงินกับยายไม่ได้เอามีดแทนยายแล้วก็ค้อนขวัญสับหวัวยายตั้งที่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบา พอได้ยินเท่านี้หลวงพ่อก็จลดใจก็ุปแล้วก็คือเรื่องยาเสพติดให้โทษเพราะนั้นพวกเราทางว่าส่งเสริมกันอยู่ปล่อยกันไว้อยู่ก็กคงจะเดือดร้อนวุ่นวายในท้องถิ่นของพวกเราให้พวกเราช่วยๆกันเป็นหูเป็นตาให้แก่ชาติบ้านเมืองนะจะให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของพวกเราหลวงพ่อก็พูดลักษณะอย่างนี้ก็พร้อมกันหลวงพ่อเอง ก็ไม่อยากจะให้คําว่าปราบนะคําว่าปราบคํำนี้อย่างเอาไว้ทีหลังต้องปรามซะก่อนหลวงพ่ออยากจะให้ปรามปราบนะไม่ใช่ว่าปราบปรามแค่ว่าปราบแค่แค่ว่าเอาให้ลาบคาบจับกลุ่มลงโทษอันนี้แปลว่าปราบปรามนะแปลว่าห้ามเออพอจับแล้วอย่าทํำนะที่ไหยก็จับไปแล้วนหลวงพ่ออยากจะให้ปรามปราบะ ปลามซะ ก, ก่อนยังค่อยปรับค่อยปราบปรามคือคือทํำยังไงแต่ว่าตั้งด่านขึ้นมาแล้วว่าไปจับไปคน้นบ้านใครผูตามที่สงสัยด้วยจับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนยังไม่รู้เดียงสาภาวะถ้าหาว่าเรากวดค้นเขาปัสวะสีม่วง mm. อ่าก็เราจักใช้ไล่เลียงถามว่ากินอะไรทําอะไร จากนั้นกมจดชื่อเสียงจดชื่อเอาไว้นามสกุลเอาไว้พ่อแม่ทายบัตรประชาชนทายบัตรนักเรียนเอาไว้หมู่ผู้ใหญ่บ้านกำนันตรงไหนอำเภอตำบลอะไรจดไว้หมดคือสักไซายเลียงดูให้หมดให้ถูกต้องแล้วก็ปรามเนละยยาทำอีกนะถ้าทำอีกเห็นอีกอย่างนี้ โทษสองเท่านะคือโทษคราวนี้ยังมีอีกอยู่แต้ก็มีโทษอีกคราวหน้าอีกแต่ถ้าไม่ทำแล้วก็จบไปไม่บันทึกไม่ให้เสียประวัติแต่ ถ, ถ้าว่าคืนทำต่อไปประวัติเสียนะสงเข้าลงาบาบัดยาเสพติดนะเสียประวัติตัวเองนะอย่าทำอีกนะหลวงพ่อว่าอยากจะให้ปลามอย่างนี้ ้าปรามอย่างนี้แล้วข่าวหน้ายัางเหตุอีกอันนั้นต้องปราบต้องจับตามกฎหมายดำเนินตามกฎหมายแต่ถ้าว่าเราจับไปเลยถ้าเราไม่บอกกล่าวซะก่อนเด็กทั้งเรียนบางคนเมื่อก่อนเสียคนไปถ้า เ, เป็นเด็กดีอยู่มีนิสัยที่ดีอยู่ยังมีอยู่พอเขาจับเข้าไปก็ออกมาจะนี่กับประชดประชันสังคมอะไรนี ยังก็ทําให้เสียคู่เสียคนเสียพ่อแม่ไปอีกพ่อแม่ก็เสีย อ, อกเสียใจเสียเงินเสียทองไปอีกเพราะลูกหลานถูกจับขายหน้าขายตาอีกบางคนก็มีฐานะ อ, อมองดูชุมชนสังคมไม่ได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับลูกหลานคณะผู้เกี่ยวข้องทุกคนผู้เป็นผู้ใหญ่ในเขตอําเภอนาวูงน้าําสมแถบถิ่นของเราเนี่ยแะ หลวงพ่อเนี่ยในฐานะพระสงฆ์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยอยากจะให้ปรามสะก่อนยังค่อยปราบเนะี่ยเพราะคำนี้คําว่าปรามเนะี่ยคล้ายๆว่าหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเคยได้รับคําปรามมาแล้วโดยเฉพาะยังยิ่งอยู่กับหลวงปู่หลวงตาบ้านตารท่านเด็ดขาดนะหลวงตาบัานตารเนี่ยท่านเด็ดขาดการปกครองพระสงฆ์หลวงปู่ล่า ย, ยังลักษณะปู่เอ พวกคุณตาคุณปู่แนะนำสั่งสอนลูกหลานบางทีก็ดุดุอยู่แต่ว่าก็ใจดีลูกหลังเมื่อภายหลังแต่ลงตาไม่ใช่ละลงตาแบบครูบาอาจารย์สอนศิษย์เลยแต่ถ้าเห็นพระองค์ใดอยู่ในวัดทำนอกลูก่นอกทาง เ, เป็นนักเลงอะไรลักษณะพูดไม่จาพาทีไม่เคารพรวยเห็น กับกิริยาที่ออกนอกลู่นอกทางหลวงตามหาบัวจะชี้นิ้วทันทีไม่ใช่ชี้ธรรมดาชี้ตรงนี้อย่านะอย่าทนะําะอย่าให้เห็นอีกนะถ้าเห็นอีกครั้งต่อไปหนีจากวัดถ้าทําอย่างนี้หนักวัดอย่าอยู่ให้เห็นวัดอย่างนี้ไม่ต้องการเราสอนคนให้เป็นคนดีพระดีอย่าทําอีกถ้าคืนทําออกไปเราหเห็นอีกนะหนีจากวัดนะ อย่าให้นักวัดนะทำอย่างนี้พอพูดถูกขู่เท่านั้นโอ้โหรู้สึกว่าหัวใจมันหล่นต๊บลงไปในดินว่างั้นเอเอตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยแปลว่าพระทุกองค์ต้องระเวยงต้องระวังต้องสำรวมในสิ่งที่ที่ท่านบอกท่านห้ามนั้นนั้นจะไม่มีอีกต่อไป เพอองค์ไหนามาพวกรุ่นเก่าก็ต้องบอกอย่าทานะเนี่ยโดนนะเอาจริงนะเผือๆไล่นี้จากวัดนะอย่านะอันนี้ก็คือการเป็นการปลามก็ได้ผลทางว่ามีอุปนิสัยทางว่าปลามแล้วแต่ไงก็ยังดื้อด้านยังเถลไถอย่างเก่าอยต้องไล่หนีแสดงว่ามันไม่ใช่ผู้เข้ามาศึกษาแล้วเป็นผู้ดื้อด้านแล่ละผิดตก่กฎรละเบียบแล้ว ขนาดครูบาอาจารย์ห้ามปรามขนาดนะั้นยังไม่ฟังแล้วจะอยู่ไปทําไมอยู่ไปหามงคลอะไรไปอยู่เพื่อไปหาประโยชน์อะไรนตรน้องหนีนี่แหละนี่หลวงพ่อได้รับคําอย่างจากนั้นจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวตักเตือนห้ามปรามนะนะสาระการณ์สิทธิ์หลวงพ่อบอกว่า เอามาใช้กับบ้านเมืองก็น่าจะถูกต้องถ้าทาว่าพวกเราปราบอย่างเดียวจับเข้าคุกอย่างเดียวกระเสียอนาคตของเด็กอีกต่างหากและก็เสียความรู้สึกของพ่อแม่อีกต่างหากวงศากนาญาติอีกต่างหากเสียเงินเสียทองประคงค์ประกันอีกต่างหากมันมีหลายแนวทางทางว่าเราปรามช่วยช่วยกันปรามซะก่อนถ้าปรามแล้วยังไม่อยู่เออปราบไปจับเข้าคุกเลยเป็นหมูเป็นตาช่วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้ง ผู้ใหญ่บ้านกำนันในท้องถิ่นของเราใครจะต้องการเพอเพอมันจะมาหาเราอีกต่างหากนะถ้ากินยาบ้ายา마าเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นทํำยังไงเพอเพื่อน่นะเออมันเพิ่งมาขอเงินของเราไม่ได้มันจะมาแทงมาฆ่าเรามันเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเนียอันนี้เราต้องคิดไว้ต้องคิดล่วงหน้าไว้เหมือนกันไม่ใช่วแบบ่าร้ายช่างชี้ดีช่างพรามอะไรไม่ไม่โธกนะะเด็กพระ ในครั้งพุท ธ, ธกาลนะพราะพระพุทธเจ้าท่านยังยังพูดว่าต้องเห็นไัยเห็นภัยเล็กๆน้อยๆอย่างเทวดาอยู่ที่ต้นงิ้วนะอยู่ที่ต้นงิ้วในป่างิ้วต้นต้นงิ้วใหญ่อยู่ในป่าแล้วนกบินมาจับนกน้อยมันบินมาจับลุกะเทวดา ยังบอกบอกว่าไม่ควรจะให้นกมาเกาะทำไมพอนกมาเกาะแล้วมันขี้นกมันลดใส่ต้นงิ้วต่อไปต้นไสจะเกาะขึ้นมาแล้วมันจะเกาะต้นไสจะเกาะต้นงิ้วต้นงิ้วจะทำให้คนต้นงิ้วเสียหายได้นี่แหละอันนี้คือใคท่านมองถึงขนาดนั้นว่าคล้ายๆกับว่าถ้านก ทุกมันกินลูกใสมาเกาะพอมาเกาะมันขี้รถมันไม่ขี้รถมันจะเกิดเป็นต้นใสขึ้นมาพบ เ, เป็นต้นไสขึ้นมาต้นไสนั้นจะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ต้นงิ้วตัวนี้นะหกล้มได้โค่นได้เพราะว่ามันมีต้นใสขึ้นมาเกี่ยวพันมันนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบกับชุมชนของพวกเราถ้าเห็นสิ่งไหน ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อชุมชนต่อสังคมเราเราก็ต้องหาวิธีการช่วยปกป้องชุมชนสังคมอย่าให้เกิดไม่ใช่แต่ต่างคนต่างอยู่ผลที่สุดว่ากิกนลูกหลานกินยาเจ็บติดทุกแข่งทุกคนเอาไปเอาไปปาดคอคนเท่าคน น, าคนั้นปาดคอคุนแก่คนนี้ปาดคอพ่อแม่คน น, น, คนั้นฆ่าผี่น้องคนนั้นฆ่าขู่คุณมฆ่าคุณคนนี้พ่าะ อ, อะไรเพราะไม่มียาบ้า ไม่มีเงินซื้อยาบ้ายาม้ามากินอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อว่าต้องช่วยๆกันแต่หลวงพ่อน่ะบอกให้ไม่ให้ปราบต้องให้ปรามซะก่อนเอต้องบอกบอกกล่าวกันซะก่อนถ้ามีอุปนิสัยมันไม่ดีแล้วกจะทำอย่างไงได้่เอามันก็ต้องเอาไปขังไว้คนไม่ดีเหมือนกับหมาบ้าน่ะเราจะไปปล่อยไว้อยังไงมันกัดคนนะแล้วก็ต้องเอาเชือกมัดไว้ต้องใส เชือกธรรมดาก็ไม่ได้จะ ต, ต้องเชือกที่เอาโซ่มัมัดไว้ให้แข็งแรงงนะเพราะมันกัดคนมันเป็นพิษเป็นภัยกับคนนี่ก็เหมือนกันนะ่ะลูกหลานของเราถึงจะรับขนาดไหนแต่มันไม่ดีจะทํำยัำยงไงเราจะไปหวงไว้ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นเพื่อเพอเป็นพิษเป็นภัยกับตนเองอีกต่างหากเนะี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านนะแต่ถึงยังไงก็ไม่ให้ปลากก่อนให้ปรามซะก่อนนะในความ รู้สึกของหลวงพ่อนะอันนี้หลวงพ่อในฐานะลูกหลานอยู่กับหลปู่ลงตาอยู่กับลูกกับหลานนะแล้วก็เมื่อวานพวกเราก็คิดว่าจะได้รับเสด็จทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจะเสด็วันที่13ตอนเที่ยงทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสำนักพระราชวังด้วยเขามาถึงวัดหลวงพ่อตอนเช้าทุกคนพร้อม แต่ทหารก่อมานอนตั้งแต่เมื่อวานผู้บัญชาการให้เท่านผบทบผ บ, อ พ, อบอพลผบอพลไงครับเป็นผบอที่รักษาความสงบในพื้นที่ทางอีสานเหนือของเราเนี่ยท่านก็มานอนอยู่ที่นี่เลยทหารเข้ามาก็เป็นร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าก็เตรียมพร้อมแต่พอจากนั้นมาท่านก็ได้รับคําสั่งทางนู้นบอกพอบาตสุเ็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงประมวลนะพอเท่านั้นแหละฟ้าจิงเสด็จไม่ได้พระบาทสงเด็จคือคุณพ่อของท่านเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพ่อป่วยเราจะหนีได้ไหมหนีไม่ได้ถ้าลูกที่ดีนะเว้นเสียจะลูกเทะเลทลายลูกไม่เอาฐานก็อย่างหวานไม่รับผิดชอบอะไรทั้งหมดถ้าลูกที่ดีแล้วออกไม่ได้หนีไม่ได้ถึงยังไงยังไงก็ต้องงดหมดนะอย่างหลวงพ่อน การหลงตาป่วยหลวงพ่อก็เข้าไปถึงงานอะไรก็ตลองพ่อตัดทิ้งหมดเพราะต้องต้องดูแลพ่อซะก่อนอันนี้ก็คือลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นต้องรู้จักอันไหนควรไม่ควรอย่างไรไม่ใช่ว่าพ่อแม่ป่วยพังงาพัางาพางาบถตัวเองไปหาตีก๊อปไปหาเที่ยวหาเล่นไปหากินเลี้ยงไปหาแต่งงแต่งงานที่อื่นอันนั้นแปลว่าลูกไม่ได้เรือกละขาดความรับผิดชอบ ที่หลวงพ่อเคยพูดถ้าว่าลูกตัวเองป่วยเนะีเอ่อวิ่งใส่เลยแต่ว่าพ่อแม่ป่วยเอไม่เป็นไรหรอก เ, อเดี๋ยวยังติดนั้นอยู่ทั้งติดนี่อยู่เอยังไปไม่ได้เอเดี๋ยวคนท่านคนนี้คงจะดูอยู่มากทางว่าพ่อแม่ป่วยลูกลูกจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าลูกตัวเองป่วยเนะ่ยโอ้โหอยู่ที่ไหนแปะว่าเงี่ยเขียวค่าย่ําคืนฝนตกฟ้าร้อง น้ำนองพาบกไปทั้งนั้นท่านเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบกฎโบราณเขาบอกว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ป่วยเนี่ยเหมือนกับเราพายเรือขึ้นไปทวนกระแสน้ําอย่างนั้นทวนกระแสน้ําอี่ยังยังพายเรือยั ง, ยออยงจ๋อมจ๋อมแบบใช้อๆอีกต่างหากว่าเนี่ยพายเรือทวนกระแสน้ําแต่ถ้าว่าลูกเก็บใข้ได้ป่วยเนี่ยเหมือนกับ เรือมันล่องน้ําำ่ะเรือมันล่องน้ำนะ ม, นมันไหลอยู่แล้วนะ้นํามันซัดอยู่แล้วก็ยังไม่ยังไม่พอใจอย่างนั้นแะ่ยังพายจ้ำอีกอ่างั้นเพื่อจะให้มันเร็วกว่านั้นอีกเร็วกว่ากระแสน้ําอีกนะนั่นแหละพวกเราคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดคนโบโบราณเขาเปรียบเทียบลักษณะอย่างงั้นนะไงพ่อแม่แมเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับพายเรือทวนกระแสน้ำเวลาลูกเมียมเออ ที่เราลักเขาลบนับถือที่เรารักมากๆเนะี่ยเหมือนกับพายเรือที่ตามกระแสน้ำเนย่งขนาดนั้นแหละอันนี้ก็พราะองค์ท่านก็ส่งประชวนก็ว่าหญิงก็จะเด็ดไม่ได้เมื่อวานก็ได้จุดไปอันนี้ก็คือจากนั้นมาเขาได้ข่าวประกาศในพระราชสำนักหลวงพ่อก็ได้ยินพวกเราทุกคนก็คงได้ยินเหมือนกันนะั่นแะนี่แหละ อันนี้ก็คือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็อายุถึงแปดสิบกว่าแล้วทั้งพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระบรมราชินีพวกลูกหลานพวกอยู่ที่ใกล้ชิดพวกลูกๆทั้งหลายของวนสงควรอย่างยิ่งนะอยู่ในสายตาตลอดนะเหมือนกับเรามีพ่อแม่ที่แก่เท่าชรลานะเราก็ต้องช่วยดู น, ะนี่แหละอันนี้แหละความเป็นห่วงความห่วงของลูกผู้มีอุปกราระคุณ เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจทุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้นหะคือหน้าที่ของลูกที่ดีนะถ้าลูกไม่ทีดีนก็อีกแบบหนึ่งต้องทำอีกแบบหนึ่งถ้าลูกที่ดีเขาต้องทำอย่างนี้ นั้นพวกเราให้ตรวจตราดูนะเราเป็นลูกที่ดีและเราเป็นลูกที่ไม่ดีนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกกันบอกในความประพฤต์บอกในการกระทำการกระทำไปในทางที่ถูกต้องก็คือเนี่ยเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้แหละลูกที่ดีเพราะนั้นวกเราทุกๆท่านทุกคนนะให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ในเมื่อเราทาดีแล้วเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วลูกของเราก็จะดำเนินตามแนวที่เราพาประพฤติปฏิบัติลูกของเราก็จะเป็นคนดีเราอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูปู่ย่าตายายก็เหมือนกันอยากจะให้หลานดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานดู หลวงพ่อก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกสิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกสิทธิ์ดูฮะเพราะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าว่าพวกเราทําไม่ดีแล้วก็ยังว่าลูกหลานทําไม่ดีตามตัวเองจะไปบน่นไปว่าให้เขาก็ไม่ได้เลยเพราะตัวเองทํามาอย่างนั้นจะทํำยังไงเหมือนกับปูแม่ปูมันเดินคดเคี้ยวคดเคี้ยวจะจะให้ลูกปูเดินตรงมันได้ยังไงผมแม่มันเดินพานเดิน งอแงกงกแงเหมือนก็ต้องเดินงอแงกงกแงเหมือนกับแม่มันนั่นนีก็เหมือนกันเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าหลับทำคาสอนของพระพุทธ เ, เจ้านะกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นเราต้องทำดีทำดีให้เขาดูทำดีให้เขามองให้เขาเป็นตัวอย่างจึงจะถูกต้องนะถ้าเราทำให้ดีแล้วก็จะให้คนอื่นดีมันก็ยากเหมือนกันนะเอาวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิด แนวช่วนหนึ่งให้แก่พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร